ขอกราบอุชาคุณพระรันตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคพระสงฆ์ขอากาศพระจางยวัฒนชัยแล้วก็เพื่อนไม่ทิกท่านอจเจริญในธรรมไม่ชี้นะนติธรรมทุกคนอนั่งกันตามสบายนะตามสบายทํากายให้สบายทําใจให้สบายนะคําว่าสบายภาษาพาดีเขาเรียกว่าสัปปยะ สำคัญนะต้องสัพยาในบารีสี่ก็เน้นเน้นสิ่งแวดล้อมที่สัพยาคือมีความพร้อมมีอาหารสัพยาถูกกับธาตุของเรามีที่พักสัพยามีครูบาอาจารย์สัพยา แต่ละอย่างนะสับะยะคือเป็นเน้นที่เรียกว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เอือ้อที่เหมาะสมที่สะดวกสบายในการที่เอื้อให้เราปฏิบัติธรรมคำว่าสะดวกสบายไม่ใช่แบบต้องดูด้าต้องไม่ทาอะไรนะคำ ว, ว่าสะดวกสบายคือมันเรียกว่า ไม่ลำบากเกินไปแล้วก็ไม่ชวนให้เราขี้เกียจเกินไปประมาณนะั้นนะเรียกว่าพอดีพอดีนะสัพเพะนะภายนอกนะคือสิ่งแวดล้อมนะต่างๆที่ช่วยเราแต่เราเองก็ต้องสร้างสัพเยะนะกับตัวเราเองนะคือเรื่องของกายเรื่องของใจของเราเองเนี่แหละเราต้องสร้างให้มันนะมีความสัพยะมีความ มีความสบายมีความผ่อนคลายอ่ามันถึงจะทําให้การภาวนามันมันพอดีพอดีเนาะออ่าแบบไหนคือเราวางกายให้ให้ผ่อนคลายเนาะไม่ตึงไม่เครียดไม่เกร็งไม่กลัวอ่าบางครั้งเราก็เวลาเราบางทีจริงจังเกินไปเนาะเอ่ การเดินการยกมือการหายใจมันก็ไม่เป็นธรรมชาติให้เราสังเกตเอบางทีเรายกไปแขนไหลขาใบหน้านะบางทีมันเกร็งไม่ได้อยากจะเกรงนะแต่บางทีใจมันเกร็งใจมันกลัวไม่ใช่กลัวผีกลัวอะไรนะกลัวจะไม่รู้นะกลัวมันจะหลง กลัวมันจะคิดนะ่ยบางทีมันกลัวเนี่ยนะนกลัวมันจะไม่ดีนะกลัวมันจะไม่บรรลุธรรมเลยนะไอ้พวกเนี้ยมันทําให้เกิดความตึงเครียดในการปฏิบัติธรรมนะหรือบางทีเราก็นะเกรงนะทั้งภายนอกทั้งภายในเนาะเราก็ปรับนะปรับปรับเอานะไม่ใช่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายหลักนะที่จริงผิดก็เพื่อรู้ ผิดก็เพื่อเป็นครูสอนเรานะมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะเร็วร้ายเสียหายอะไรหรอกเพราะการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้นะเรียนรู้ว่าผิดเป็นอย่างไรนะมันถึงจะถูกถ้าเราไม่รู้จักว่าไอ้ น, นี้มันผิดเป็นแบบไหนเนะี่ยมันก็จะทำไม่ถูก แต่คำว่าผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราผิดศิลผิดธรรมหรอกนะไม่ได้เราปฏิบททัติธรรมคือบางทีผิดคือบางทีเราบางครั้งเราเคร่งเครียดนะเราจริงจังนะอันนี้ยเรียกว่าทํากายทําใจให้ลําบากทรมานกายทรมานใจของเราเองไม่ใช่มีใครทําให้เราทุกข์นะเราเองทําให้ตัวเองทุกข์นะชื่อจริงนะไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้ นะมีแต่ตัวเราเองแหละทําให้ตัวเองทุกข์ที่คนอื่นอาจจะทําให้เราทุกข์นะ่ะมันก็เป็นเพียงแค่ทุกข์ทุกข์ทางกายนะแดดร้อนนะ่ะร่างกายก็ร้อนนะ่ะคนมาทําร้ายร่างกายก็เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บพยาธิเบียดเบียนร่างกายก็ไม่สบายถิ่งอื่นนะ ทำร้ายเราได้แต่เพียงร่างกายแต่ถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆนะชีวิตเราไม่ใช่เท่ากับร่างกายนะถ้าเราคิดว่าชีวิตจริงๆมันคือร่างกายเนะี่ยมันก็เรียกว่าสุขทุกข์เราก็ไปแขวนไว้กับร่างกายซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตจริงๆเนี่ยต้อง ไม่ได้ไปแขวนไว้กับร่างกายไม่ได้ไปแขวนไว้กับคนอื่นกับสิ่งอื่นแท้ที่จริงแล้วชีวิตจริงๆเราต้องต้องมีอิสระนะคำว่าอิสระอิสระภาพในที่นี้คืออิสระภาพจากกิเลสเพราะอะไรถ้าเราเห็นจริงๆชีวิตเราที่ถูกหลอก ที่ร้องไห้ที่เสียใจนะเพราะเราถูกกิเลสเขาครอบงาครอบงาให้รักครอบงาให้ชังครอบงาให้โกรธครอบงาให้ทุกข์ใจนะเราจะประกาศอิสรภาพจากกิเลสของเราเนะีนะ่ยด้วยการที่เรารู้สึกตัวนะเราจะไป เราอย่าไปยุ่งกับอะไรกับความคิดหลวงพ่อเทียนไม่ได้สอนให้เราห้ามความคิดะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการห้ามความคิดแต่คือถ้ามันคิดให้เรากลับมารู้สึกตัวมันทําแบบนี้นะมันคือคล้ายๆไม่ต้องยุ่งกับมันมันจะคิดหรือไม่คิดก็เรื่องของมันหน้าที่เราก็แค่รู้สึกตัว รู้สึกตัวว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่หรือรู้สึกรู้สึกตัวว่าตอนนี้ใจรู้สึกอย่างไรอยู่นอะไรก็ได้นะที่จริงความรู้สึกตัวเนี่ยในฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยรู้อย่างไรก็ได้นะเพราะที่จริงถ้าจะว่าจริงๆนะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้นะ ไอ้พวกเนี้ยคือสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้ไม่ได้มีค่าอะไรเป็นมากกว่ากันนะไม่ว่ากายหรือเวทนาสุขหรือทุกข์หรือเฉยหรือจิตนะที่มันมีโลภโกรธหลงรักชังอะไรก็ได้แต่มันไม่ได้มีค่าอะไรไม่ได้มีความหมายไปมากกว่าเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้นะมันเป็นเพียงแค่นะอาการอย่างหนึ่ง แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือตัวรู้ต่างกันนะตัวรู้คือใจอมันตั้งมั่นไหมตัวรู้คือใจที่มันเป็นกลางไหมตัวรู้คือใจที่มันวางเฉยไหมอันนี้ยสําคัญกว่านะสิ่งที่ถูกรู้จะเป็นอะไรเนี่ยไม่สําคัญแต่ตัวรู้เนี่ยแหละมันเป็นกลางมันตั้งมั่ น, ม, นมันมั่นคงหรือเปล่าเ น, นี่ยสําคัญที่สุดเลย kolay. เพราะถ้าเราขาดสติหรือเราปฏิบัติวางใจผิดนะไม่เข้าใจนะมันจะมีอะไรมันจะมีสิ่งนี้ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบนอะมันสงบเราชอบมันปิติเราชอบมันฟุ้งซ่านมันง่วงนอนมันจะมีเราไม่ชอบขึ้นมาแบบนะี้อันนี้ไม่ใช่นะนะ แต่ถ้ามีสติจริงๆเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีค่าเท่ากันหมดเลยเรื <c> ่ <oughs> วงนอนก็ดีนะทำให้เรารู้ตัว <c oughs> คิดก็ดีนะทำให้เรารู้ตัวล <c oughs> ังเลสงสัยก็ดีนะทำให้เรารู้ตัว <c oughs> เนี่ยถ้าเรารู้ตัวนะโอ้เออมันเกิดขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วนะก็แค่ ก็แค่เห็นมันเฉยๆไม่ต้องไปอะไรกับมันนะแต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางใจเราไม่ตั้งมั่นอันนี้อันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อยากเอาให้อยู่นานๆอันนี้ไม่อยากเอาให้รีบหายไปนะใจมันไม่เป็นกลางนะใจไม่เป็นกลางเพราะอะไรมันมีความอยากนะพระเจ้าสอนเนี่ยะนะตัณหาคือเหตุของความทุกข์ นะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาหรืออยากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละเนะมันคือความอยากนะหรือความไม่อยากแต่ชีจริงแล้วหลวงพ่อเทียนเขาบอกให้รู้เฉยเฉยเฉยเฉยนี่คือทั้งไม่ใช่อยากแล้วก็ไม่ใช่ไม่อยาก แค่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรแค่นั้นอ่ะเนี่ยสําคัญที่สุด น, นะให้เราฝึกอะไรฝึกสภาวะผู้รู้นะผู้รู้ก็คือพุทธพุทโธ ท, ที่เราสวดทุกวันนั่นแหละคือพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้รู้นะผู้รู้ตรงไหนก็คือใจที่รู้นะใจที่รู้เนื้อรู้ตัวลงที่ปัจจุบันนี่แหละนะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้มีผู้รู้ไว้นะ สาวัดป่าเขาบอกให้มีพุโทโธไวจริงพุโทโธจริงๆนะไม่ใช่ท่องพุโทโธนะพุโทโธจริงๆคือผู้รู้นะรู้ตัวนะแต่ภาษาที่พวกเราใช้เขาให้รู้สึกตัวนั่นะก็คือให้มีมีการรู้ว่าตัวนะตัวในที่นี้ก็คือกายหรือว่าใจก็ได้แต่ในปัจจุบันเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็ดูมันนะกาย เขายืนนะก็มีสติเห็นว่ากายเขายืนกายเขายกมือก็มีสติเห็นว่ากายเขายกมือใจเขาสุขก็มีสติรู้เห็นว่ามีความสุขเกิดขึ้นในใจใจมีความคิดนะก็มีสติรู้เห็นว่ามันจิตมันคิดอันนี้นคือก็แค่รู้แค่นั้นนะอัน่นีหะมันจะเป็นการฝึกแยกแยกอะไร สิ่งที่รู้นะกับตัวที่รู้นะมันเป็นคนละอันกันนะมาใจาค่อยๆเนี่ยเนี่ยเป็นจะเป็นการเรียกว่าสร้างสติตัวจริงขึ้นมานะคือการรู้เหมือนรู้แบบแตะๆนะไม่ใช่เข้าไปจับนะไม่เข้าไม่ใช่เข้าไปจับแนบแน่นกับอารมณ์ที่ปฏิบัติธรรมนะไปเกาะไปยึดนะกับกายให้มันชัดๆไม่ใช่แบบไปเกาะนะ มันดูแบบแตะๆนะดูแล้วก็วางรู้แล้วก็วา ง, ววางนะเหมือนแค่สัมผัสนะสัมผัสดูแล้วนะว่ามันเดินสัมผัสดูแล้วว่ามันยกอะไรท่าไหนก็แล้วแต่รู้ปุ๊บวางมันเกิดการเคลื่อนไหวข้างใหม่อะ่ะดูใหม่ปุ๊บนะรู้ปุ๊ บ, นะบมันก็วางของมันเนะี่ยสติมันเป็นนะธรรมชาติของสติมันก็เกิดขึ้นนะ ทีละขณะนะเราก็สร้างทีละขณะนะสติใหม่ๆเราก็เรียกว่ามันสร้างเนาะเพราะอะไรที่จริงเราสติมันสร้างไม่ได้หรอกแต่เราสร้างเหตุให้มีสตินะเหตุให้มีสติคืออะไรการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวกรรมฐานเนี่ยแหละเมื่อเคลื่อนไหวคือเหตุผลคือมีความรู้ตัวมีสตินะทําไมหลวงพ่อเทียนท่านบอกให้เราขยัน มีขยันเคลื่อนไหวอย่าอยู่นิ่งๆคือการเคลื่อนไหวนี่มันเป็นเหตุผลคือการมีสติคือการรู้สึกตัวเนี่ยหรือที่จริงไอ้ความรู้สึกตัวนะอันนี้มันคือผลน ะ, นะกายเคลื่อนไหวใจก็เลยมีสติรู้ตัวเช่นนะี้แต่การรู้สึกตัวนี่มันก็เป็นเหตุผลคือความไมทุกข์ มันเป็นเหมือนสามอันนะเรียงกันนะเหตุคือการเคลื่อนไหวนะผลคือความรู้สึกตัวเหตุคือความรู้สึกตัวนะผลคือความไม่ทุกข์นะดังนั้นที่จริงความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวกลางเป็นตัวโซ่ที่สำคัญมากที่เราท้างความรู้สึกตัวนั่นแหละนะโดยการพยายามเคลื่อนไหวเยอะ คือการสร้างเหตุให้เกิดการมีสติรู้สึกตัวสุดท้ายผลลัพธ์มันก็คือความไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ตอนไหนก็ไม่ทุกข์ตอนนี้แหละอย่าไปเอาว่าเมืม่อร่จะได้นิพพานเมื่อใรจะนั่นนี่นะที่จริงแค่รู้ตัวปุ๊บนะสังเกตเลยจิตมันก็ปกติละจิตมันก็ไม่คิดละจิตมันก็เฉยเฉยละ เราเห็นมันนะถ้ามีสติแม้บางทีทุกมันไม่ดับอนะกิเลสมันไม่ดับแต่เราเห็นอนะ่ะมันจะรู้สึกห่างฮอยู่เห็นมันห่างๆมันไม่ดับก็ช่างหัวมันนะเหมือนคล้ายๆเรายือนอยู่แล้วก็ดูกองไฟนะอยู่ใกล้ๆหนึ่งอ๋อเออไฟมันยังไม่ดับก็ไม่เป็นไรนะแต่ตัวเราอยู่ไกลไฟนะมันไม่ร้อนนะ จิตใจก็เหมือนกันนะมันจะรู้สึกว่าดับไม่ดับก็เรื่องของมันนะแต่สิ่งสําคัญคือเราวางใจไว้นะเป็นผู้ดูมันเฉยๆนะมันก็ไม่ทุกข์มันก็ไม่ร้อน่นะอันเนี้ยก็แค่น่ะนั่นะการมีสติเฉยๆเนี่ยแหละนะไม่ว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะสิ่งสําคัญคือตัวดูตัวรู้ของเราเนะีนะ่แหละน่ะต้องมั่นคงต้องตั้งมั่น ต้องเป็นกลางกับสภาวะให้ได้มากที่สุดแต่บางทีมันก็ไม่ใช่จะดีตลอดหรอกนะบางทีก็เผลอกีเล็กเขาก็เก่งหลอกล่อแต่ละพัดมากมายนะก็ทำแบบคล้ายๆทำเล่นๆนให้มีคล้ายๆแบบสนุกนะเหมือนเหมือนสนุกในการเล่นกั น, นเล่นถ้าเป็นเด็กก็เหมือน เล่นกีฬาเล่นกับเพื่อนเนาะมันก็จะรู้สึกว่าความเหนื่อยความแพ้ความอะไรต่างมันก็แค่เป็นเกมมันก็แค่เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะก็เล่นเล่นไปนะแต่มันก็จะเกิดการพัฒนาของมันไปปฏิบัติทำไปถ้ามันซีเรียสเกินไปเน่ะมันจะเหมือนฉันผิดไม่ได้นะฉันดงไม่ได้นะต้องรู้ให้ได้เนี่ยมันจะเครียดยิ่งเครียดมากนะยิ่งเออ ใจไม่ไม่ผ่อนคลายนะมันก็มันก็ไม่ค่อยมีสตินะเราต้องแบบทําเล่นๆอมยิ้มสักหน่อยนะเดินสบายๆนะยกมือสบายๆนะนะวางกายวางใจผ่อนคลายนะอย่าไปเอาจริงจังมากนะอย่าไปเก็บตัวอยู่แต่ในป่าอย่างเดียวบางทีก็หาที่งโล่งเดินก็ดีนะมันช่วยนะเดินในที่รงโล่งๆนะ นอกจากยุงมันไม่กัดแล้วก็จิตใจก็ปลอดโปร่งนะบางทีมันง่วงอ้ามองท้องฟ้าสักหน่อยนะอ่าอ่ามองต้นไม้สักหน่อยมันก็เปลี่ยนอารมณ์สักหน่อยนะเปลี่ยนอารมณ์สักหน่อยก็ตื่นก็สดชื่นขึ้นมาอันนี้นะอย่าแบบไปก้มหน้าก้มตายกไม้ยกมือนะกมหน้าก้มตาเดินไม่สนใจอะไรเลยนะจะ จะเอาแต่รู้อย่างเดียวบางทีมันเครียดเกินไปมันมันไม่ผ่อนคลายนะต้องแบบพอดีพอดีนะทำไปเรื่อยๆทำเล่นๆทำสบายๆนะแต่ไม่ใช่ทำแบบฟรีๆนะทำไปคิดนั่นคิดนี่นะปรุงนั่นปรุงนี่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะมันก็มันก็ฟรีเฉยๆมันจะเป็นเหมือนแค่ได้ออกกำลังกาย ได้ยกมาให้ยกมือได้เดินออกกําลังกายนะแต่ใจไม่ได้อะไรนะมันก็ดีแค่กายนะนะต้องเรียกว่าทําเล่นๆ่นสบายสบายแต่ก็ให้รู้นะเท่าที่มันรู้ได้นะมันใหม่ๆก็ดีหรือว่าทํามานานแล้วก็ดีนะมันก็ยังมีตัวดงอยู่หลายอย่างที่เข้ามาแทรกนะหลงคิด ว่างนะ่ะแต่มาว่าถ้าใครเก็บอารมหลายๆวันนะ่ะความคิดมันจะน้อยลงนะใช่ไหมถ้าทําต่อเนื่องจริงๆนะ่ะแรกๆมันจะคิดมากหน่อยฟุ้งซ่านยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแต่ถ้าเราตั้งใจแล้วก็ทําถูกเนะี่ยเนะีความคิดมันจะน้อยลงนะไอ้ความคิดที่เป็นเรื่องเป็นราวนะมันจะน้อยลงแต่มันจะมีเห็นไอ้ที่หลงแว บ, บๆเนะี่ยบ่อย ไม่ทันจะเป็นความคิดนะหลงแบบตามันไปเห็นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะพรุงละแวบหนึ่งจิตมีสติเห็นนะหรือว่าใจมันกําลังจะคิดอะไรก็แล้วแต่แวบหนึ่งนะสติมันเห็นนะมันจะเห็นแวบๆเนี่ยบ่อยขึ้นนะไม่ผิดนะนะมันแวบก็เรื่องของมันนะแต่สติมันจะเร็วขึ้นมันจะเห็นเออมันก็ ที่จริงคําว่าจิตมันนิ่งจริงๆนะมันไม่นิ่งเลยถ้าเราไม่ทำสมาธิจริงๆนะจิตมันไม่นิ่งเลยทําไมพระเจ้าบอกว่าจิตมันเหมือนลิงมันจริงๆเพราะมันไม่นิ่งนะมันอยู่เฉยๆไม่ได้เดี๋ยวมันก็จิตเดี๋ยวก็จะไหลไปดูเดี๋ยวจิตก็ไหลไปฟังเดี๋ยวจิตก็ไหลไปคิดนะมันไหลไหลไปเรื่อยนะเหมือนเด็กอ่ะจะให้อยู่นิ่งๆเนี่ยมันไม่อยู่หรอกมันจะไปนั่นไปนี่ไปเรื่อย แต่หน้าที่เราก็เพียงแค่รู้ว่ามันไปนะมันจะกลับมาของมันเองไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ที่จริงเราก็จะไปดูมันตรงๆถ้าดูตรงๆดูจิตดูใจตรงๆมันจะเครียดเราดูผ่านการสางสติผ่านกายเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งนะกายเป็นที่ตั้งดูไปนะไม่ต้องไปสนใจถ้ามันจะคิดหรือไม่คิด ถ้ามันไม่เด่นถ้ามันไม่ชัดก็เรื่องของมันเราก็รู้สึกกายไปเรื่อยๆทีละข้งทีละข้งทีละั้งต่อเมื่อความคิดมันเด่นอารมณ์มันเด่นมันจะจิตมันจะไปดูของมันเองนะไม่ใช่เราไปกาหนดดูนะสติมันไปกาหนดดูของมันเองนะเกิดความคิดเด่นขึ้นมาเกิดความโกรธเด่นขึ้นมาจิตมันจะรู้อ๋อ กำลังโกรธอยู่นะมันก็จะจบไปนะถ้าพักเรายกมือไปเปิดความคิดเอา้าเผือไปคิดอะไรกันเนี่ยาวละอ่าสติมันเข้าไปดูอ้าวจะเอะกับความคิดก็ได้นะอนะ่าจะเอะคืออะไรอนะมันไปเห็นพอดีเลยนะไม่ใช่ไปตามหานะเรื่องของจิตใจเรื่องของความคิดเนะี่ยไม่ใช่เป็นการตามหา แต่มันเกิดขึ้นมาแล้วสติเข้าไปเจอะเอไปเห็นมันพอดีเนี่ยมันจะได้เรียกว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าแหละมันคิดของมันเองมันเป็นของมันเองอะพอสติมันจอะเอมันเห็นมันก็ตกของมันเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะนะมันจะเกิดมันจะดับก็เรื่องของมันเราบังคับไม่ได้นะหน้าที่เราก็เพียงแค่รู้ตัวไปเรื่อยๆนะอะไรจะเกิดขึ้นมาก็เพียงแค่ แค่รู้แค่เห็นนะสบายๆทํำไปเล่นเอ็ๆเนะี่ยมันก็จะทําไปได้เรื่อยๆนะทำได้เรื่อยถ้าเราทําแบบเนี้ยมันจะทําได้เรื่อยๆนะอ่มันจะเดินก็เพลินยกมือก็เพลินทำอะไรต่างๆมันก็จะรู้สึกเพลินแต่ไม่ใช่เพลินแบบลงนะเพราะมันรู้สึกว่ามันการเคลื่อนต่างๆเนี่ยมันพอดีพอดีจะกวาดใบไม้ก็จังหวะพอดีนะ จะเดินก็พอดีพอดีแต่ละก้าวไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปเมื่อมันทําแบบพอดีอ่ะมันร่างกายมันก็ไม่เหนื่อยนะมันก็ทําไปได้เรื่อยๆของมันนกะินข้าวก็เหมือนกันจะตักนะจะเคี้ยวก็ไม่รีบนะก็ไม่เฉื่อยนะมันก็รู้สึกพอดีพอดีนะจะคิดก็ดี จะพูดก็ดีนะเคยเป็นไหมบางทีอยากจะคิดให้มันเสร็จเสร็จนะอยากจะพูดออกไปให้มันเร็วเร็วนะเพราะมันไม่พอดีเนี่ยแหละนะมันเร่งนะมันเร่งเราแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็จะพอดีนะมันก็เป็นธรรมชาตินะเพราะแท้จริงทางสายกลางนะอริยมรตมีองค์แปดคือความพอดีความสมดุล ของกายของใจนี่แหละนะนะกายใจมันสมดุลนะมันไม่รีบมันไม่ร้อนมันไม่เฉืยมันไม่ช้านะเราก็ภาวนาก็เหมือนกันนะเราก็ปรับนะที่จริงการยกมือก็ดีการเดินก็ดีเพื่อให้เ ร, เรียนรู้ความสมดุลยกแบบไหนพอดีหยุดแบบไหนพอดีนะเดินแบบไหนพอดนะีเหยียบแบบไหนพอดีนะ คำว่าพอดีบางทีเราก็เห็นโอ้บางทีไปกดมากไปนะบางทีก็ไปเกรงแบบขยิงเท้ามากเกินไปอะไรแบบนี้บางทีก็รีบเกินไปบางทีก็เฉื่อยเกินไปนะบางทีก็มีนะบางทีอารมณ์อินๆอะไรทุกอย่างบางทีก็ยกมือเอื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนบางทีอยู่ในความคิดอยู่อะไรบางทีก็เดินมือๆไปก็มีนะนัเรารู้ เท่าทันกายก็ดีรู้เท่าทันใจก็ดีนะมันจะปรับให้กลับมาสู่ความพอดีนะความพอดีนั่นแหละคือทางสายการนะความพอดีนั่นแหละคือมัจนะเมื่อเราจะเดินมัจนะมันก็เกิดผลนะผลก็คือความไม่ทุกข์นั่นแหละนะเราก็ทําแค่เนี้ยแหละทําตอนนี้ทําเดี๋ยวนี้นะทําไปเรื่อยๆนะวางอดีตวางอนาคตนะ สนใจแค่ปัจจุบันขณะเนี่ยให้ให้มากที่สุดเท่านั้นก็พอนี่คือการภาวนานะไม่ใช่ที่จริงปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องอะไรมากมายนะแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะใบ ไ, ไม้ในกํามือเดียวนะเทียบกับใบไม้ทั้งป่าเนี่ยมันนิดเดียวแต่ถามว่าใบไม้ในกามือเดียวอันเพียงพอเพียงพอทําให้เรานะไม่ทุกข์ ใจได้เนี่ยคือตรงนี้แหละเราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากมายนะไม่ต้องพูดเก่งอะไรก็ได้นะเพียงแค่เรารู้สึกตัวอย่างเดียวก็พอละนะเมื่อวานก็มีพระนะมาถามนะปฏิบัติธรรมรู้สึกตัวอย่างเดียวพอหรือเปล่ามีสติอย่างเดียวพอหรือเปล่าพอพอ <c oughs> พระเจ้าต่างชาตนะิบางทีท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้ฟังอะไรนะแต่ท่านก็ ถามเพื่อความมั่นใจเฉแต่จริงท่านก็พอจะเข้าใจแบบนี้ออมาก็ว่าพอมีสติอย่างเดียวก็พอรู้สึกตัวอย่างเดียวก็พอน ะ, อะเดี๋ยวศีลสมาธิปัญญาความหลุดพ้นมันก็มาเพราะมีสตินี่แหละนะถ้าไม่มีสติจะมีศีลได้อย่างไรนะถ้าไม่มีสติจะมีสมาธิได้อย่างไรถ้าไม่มีสติจะมีปัญญาได้อย่างไรถ้าไม่มีสติมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรมัน สติตัวเนี้ยมันจะนาศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์มาเข้ามาเองนะแต่ถ้าขาดสติน่ะก็จะเป็นคนมีศีลแบบเค้่งเครียดเค่งคลัตจับถูกจับผิดตนเองนะเพ่งโทษคนอื่นนะหรือมีสมาธิแบบจมกับความสบายนะจมกับความขี้เกียจคิดนะขี้เกียจทําอะไรนะหรือมีปัญญาคิดฟุ้งซ่านอันนั้นก็ไม่ใช่นะ นั้นถ้ามันไม่ไ ม, มีสตินะมันจะมันจะไม่เข้าใจศีลสมาธิปัญญาจริงๆแต่ถ้ามีสตินะนะจะพูดยังไงก็ได้นะอนะไม่พูดก็ได้ไม่เรียกว่าศีลก็ได้นะแต่ไม่ทำบาป <c oughs> นะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองนะจะไม่พูดว่าสมาธิก็ได้นะแต่ใจมันตั้งมั่นอยู่มันรู้เฉยๆอยู่นะ มันมีอุเบกขาเป็นผู้ดูอยู่นะอุเบกขาเนี่ยเป็นสมาธิอย่างยิ่งเลยนะถ้ามันมีสตินะมันก็เกิดปัญญาปัญญาเห็นอะไรเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามนะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นเป็นสมมติเห็นเป็นบัญญัตินะไม่ใช่เห็นเป็นเรานะ ไม่ใช่ว่านี่เราเก่งเราดีนะเรารู้เราหลงไม่ใช่ปัญญาจริงเห็นมาเป็นเพียงแค่อาการเป็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามนะอาการมันเปลี่ยนไปภาษาก็เลยเรียกว่า อ, อ, อนิจจังนะอาการมันทนอยู่ในการเดินไม่ได้ก็เลยเรียกว่าทุกขังอาการที่มันบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตานะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะอันนี้ก็เป็นภาษา บางทีก็เรียกได้ิแยกแยะได้แต่บางทีแยกแยกไม่ได้ก็ช่างมันนะไม่ต้องไปบางทีก็ไม่ต้องไปแยกก็ได้นะบางทีบางครั้งมันก็แยกได้โดยสัญญาที่เรารู้บางทีมันก็ไม่เป็นมันแยกยากหรือว่ามันเป็นเพียงแค่อาการไม่ค่อยชัดเจนเราก็รู้มันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะไม่ต้องไปแยกก็ได้แต่เพียงแค่เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อาการนะ ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆนะมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละนะพูดถึงพูดที่สุดที่สุดมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกสติเข้าไปรู้อันนี้คือคือในการฝึกปฏิบัติของเราเนาะแต่ในท้ายที่สุดนะครูบาอาจารย์ก็จะบอกไว้นะก็ให้ไปดูไอ้ตัวผู้รู้นะทําลายผู้รู้อีกทีหนึ่งนะ แต่ถ้าเรายังไม่มีสติอย่าพิ่งไปทําลายนะมันจะเป็นบ้าไปทําลายผู้รู้นะมันจะขาดสตินะแต่ถึงที่สุดครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ในแง่ว่าการยึดผู้รู้นะมันก็ยังไม่ใช่การดุดพ้นจริงๆนะแต่เราอยจะพึ่งไปนะั้นเดี๋ยวเมื่อเรามีสติไปเลยมันจะย้อนกลับมาดูของมันเองอ่จะพึ่งข้ามขั้นนะมันข้ามไม่ได้ต้อง หน้าที่ของเราตอนนี้สร้างผู้รู้นะผู้ดูได้ใจเป็นการได้ใจตั้งมั่นก่อนอันนี้คือสิ่งที่ทําคันที่สุดเนาะก็ก็ฝากไว้ให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้ไปพิจารณาแล้วก็ทําความเพียรของเราเนาะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านได้เจริญในในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเจริญพรกราบพระกัน